คุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงศ์เคนทวายและอาทิตยาปักกระทานังทาง FM 8 9 5เมกะเฮิร์ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ทาง FM89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับพบกับผมปียพงษ์เคนทวายรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะครับมาอารุณสวัสดิ์ในเช้าตรู่นะฮะของวันศุกร์ที่20กันยายน 2,562 วันเยาวชนแห่งชาตินะครับผมปียพงษ์เคนทวายพร้อมด้วยคุณอาทิตยาปกทานาังนั่งประจาที่ในเวลานี้ครับ สวัสดีค่ะคุณบังค่าสวัสดีค่ะคุณปียพงษ์อ่ะเจอกันในวันนี้นะครับวันเยาวชนแห่งชาติเราเลยแล้วใช่ไหม <c oughs> เยาวชนเองเขาต้องกี่เปียะ <c oughs> เออสักวันกี่ปียี่สิบเท่าไหร่เยาวชนกับวัยรุ่นนี่มันจํากัดความอายุพอๆกันมคุณปียพงษ์เยาวชนนี่ช่วงมปลายนะ <c oughs> ออืมปลายจนถึง <c oughs> วัยรุ่นนี่สักประมาณสักสิบสี่ใช่ไหมสิบสามสิบสี่น่าจะได้น่าจะได้อยู่นะถึงว่าจะมปลายอะไรเงี้ยนะ อ่าถูกต้องไวรุ่นนี่เขาตั้งตั้งแต่นู่นไม่ใช่เหรอ12ถึง15มั้าไหมอาวัรุ่นไงวัยเจริญเติบโตวันเยาวชนนะไม่รู้เขายังไงกันนะคุณฟังนะอ่าแล้วก็คาดการการเอาวแต่ว่าก็เป็นวันวันนึงอ่ะนะฮะที่ที่เป็นวันที่เราก็จะได้เห็นอ่าเหมือนว่าตัวแทนอ่าที่ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับใช่แล้วอ่าก็ได้มาแสดง ผลงานนะครับแล้วก็ได้รับรางวงรางวัลส่วนหนึ่งเองก็ได้เข้าพบท่านผู้นําประเทศถูกท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะในทุกปีเนาะใช่แล้วนะครับไม่พูดําตจำเพลงไปเริ่มต้นกันในเรื่องเช่องแรกนี้กันก่อนสันิดนึงนะฮะน้ำท่วที่ผ่านมาเองนะฮะคนก็เทกําลังใจไปที่อุบลราชธานีก็เริ่มคลี่คลายกันละไปส่วนหนึ่งที่บ้านคุณรอดพ้นนะบ้านผมนี่ไกลถ้าบ้านผมท่วมนี่คือ ทั้งจังหวัดคงไมรอดไปหมดแล้วแต่ว่าได้ข่าวว่าสามพโบก็ไปกับเขาเหมือนกันใช่ไหมคุณคือสามพันโบกเนี่ยมันเป็นแก่งหินอยู่ในแม่น้ำนะฮะมันก็หมายถึงว่าระดับน้ำมันสูงขึ้นมันสูงท่วมอยู่แล้วนะฮะมันก็ต้องเป็นฤดูแล้งนะฮะหรือแบบฤดูหนาวเนี่ยช่วงหนาหนาวเนี่ยน้มันจะเริ่มลดแล้วก็จะเริ่มเหตุโขแบบแก่งหินขนาดใหญ่ฉันเห็นเขามีการแชร์ภาพมนาเปียิพงแล้วก็ทางด้านของสแตนดาร์ดเองเาก็ไปถ่ายรูปมานะเป็นวัดที่อยู่ริมติดกับแม่น้าโขงครัปรากฏ หลายคนเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหถ้าเกิด กลงคืนนั่งเรือผ่านนี่ต้องมีหนาวกันบ้างนะนี่คือวัดปากโดมนะครวัดป่าปากโดมวัดนี้อยู่ที่อำเภอพี่บุร์มังสาหารก็ไม่ไกลฮะอยู่ถ้าเข้าไปในตัวอําเภอพี่บุร์มังสาหารแล้วเนี่ยนะฮะวิ่งออกไปจากตัวอําเภอนิดนิดนึงไม่เกินสักสามกิโลนะครับวัดนี้อยู่ติดเลมูลผมไปมบ่อยนะฮะก็เขาเพิ่งสร้างปฏะติมากรรมตัวนี้ไม่นานประมาณไม่เกินสัก 2, 2> ปีนะครับ ถ, ถือว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็สูงพอสมควรนะฮะแต่ว่าพอ ร ะ, ะดับน้มันสูงเ<า>ข้าแนะสดงว่าก็คือวัดได้รับความเสียหายอยู่เป็นจำนวนมากนะฮะวัด น, นี้ก็มี ม, มีมีสัตว์เยอะนะฮ ะ, ะไม่ใช่ว่าเป็นะนะเป็นเขาเลี้ยงไก่อะไรเงี้ย <laughs> ไกปะะ่ป่าอะไรเงี้ยอก็ถือว่าร่มรื่นพอสมควรนะฮะแต่ว่าก็เป็น ปรากฏการหนึ่งนะครับที่ผูกโยงเกี่ยกับเรื่องของาศาสนาด้วยความเชื่ อ, อถูกต้องแล้วนะมีพยานองพยานะ15าคำเดนสอนะใครที่เคยมีโอกาสได้ดูใครไม่ได้ดูไปลองดูนะสนุกดีเหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวของนามท่วมเนี่ยนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอุบลรชาชธานีแต่ว่าในส่วนของคนกรุงเทพมหานครเองในช่วงนี้นะคะอย่พงผู้ฟังเราก็เตรียมตัวในการี่จะพบกับฝนตกหนัก เช่นกันนะคะโ<ร>ดยเมื่อหลายวันในช่วงของคืนวันพุธนะใ น, นเชิเชียวหลายๆท่านเองน่าจะเห็นภาพของการแชร์ข้อมูลนะคะของในส่วนทางฝั่งเรียกว่าฝั่งจรันสนิทวงศ์ใช่ไ้คุณแล้วก็ทางฝั่งของเซนตันเวเกตในเส้นตรงนั้นนะคะฝนตกหนักมากแล้วก็ทำให้หลายๆคนเองเนี่ยทางบ้านของเพื่อนนะเกิดไปดับ<ร>อ่าดับนานด้วยนะําู่พงเป็นชั่วโมงนะคะแล้วก็ ใต้ดินของเส้นนู้นน่นะคะที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันมีน้ำท่วมขังนะ ม, มีน้าท่วมขังลงไปนะตามท่อแล้วก็ในส่วนของท่านเวเกตเองเนี่ยก็มีอ่าเรื่องของฝ้าถล่มนะซึ่งทางห้างเองเนี่ยเขาก็มีการชี้แจงแล้วว่าใช้เวลาในการควบคุมสถานการณ์แค่30มสนาทีเท่านั้นแล้วก็เสียหายเล็กน้อยนะคะก็ถือว่า เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะฝนตกหนักลงกันโชกแรงของสถานีก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมุ่งฟั ง, งในช่วงของเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะ ใ, <ช>ในช่วงของกลางคืนเองก็เจอฟ้านะฮะฟ้าแรงนะฮะก็ทําให้อุปกรณ์ในการออกอากาศบางชุดเนี่ยได้รับความเสียหายก็หยุดออกอากาศไปช่วงระยะหนึ่งขอไปมุ่งฟังกันด้วยนะฮะในช่วงเวลานี้ก็ ตอนนี้ก็ปรับกลับเข้าสู่ภาวะปกติ<ช>นะฮ ะ, ะก็พีมี อ, อุปกรณ์ในการออกอากาศสำรองนะครับก็มีเตรียมความพร้อมไว้นะฮ ะ, ะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นฤดูฝนเองเนี่ยเราเจอแบบแบบนี้บ่อยนะครับก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยถูกกันนะ <c oughs> คือจริงๆเราบอกว่าเราเซฟตัวเองเป็นอย่างมากนะเบี่ยรพงแต่ แต่บางครั้งในบางเครื่องอย่างทีเนี่ยในเครื่องในห้องอัดนะตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีเครื่องหนึ่งที่เสียนะคุณผู้ฟังทันทีที่ว่าเราก็ปิดเครื่องหมดนะแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องมาหาต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะเพราะว่าเราก็เสพตัวเองเหมือนกันใช่ครับผมอาที่บ้านคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องราวนี้กันนิดนึงครับหลังจากที่หลายพื้นที่เจอปัญหาน้ําท่วมเราก็ได้ยินไมหมฮะว่ากรุงเทพน้ําจะท่วม เคยได้ยินทั้งกรุงเทพและสมุทรปราการที่บ้านในฉันอยู่เดี๋ยวพื้นดินจะซุดและน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นก็จะเข้ามาท่วมคือกี่ปีกี่ปีเขาก็ว่ากันไปแกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าสมุทรปราการจริงแน่นอนเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ย คือต้องเรียกว่าดินเนี่ยโดนโดนซากนะเพราะว่าอยู่ติดกับอ่าวไทยใช่ไหมคะพื้นที่ตรงที่อยู่ติดอ่าวไทยเนี่ยจะโดนซาะตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสำหรการเองเนี่ยเราก็มีปัญหาในเรื่องของเมื่อก่อนเราจะมีป่าชายเลนนะแต่หลังๆเนี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยเขาจะมีต้นไม้มีอะไรในการที่จะป้องกันการแซะการซาะหน้าดินใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเป็นเป็นดินที่เจอกับน้ําเลยเนี่ยก็เลยทําให้เกิด เรื่องของการกัดเซาะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะใช่แล้วนะครับทางนี้ด้าโพเองเลยออกมาสำรวจเรื่องของน้ําท่วมกรุงเทพไหมนะฮะหรือไม่ก็บอกงนี้คนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่กลัวน้ําท่วมนะว่างนี้นะเออคือคือบอกว่า อาจจะเคยเจอปี54ไปแล้วและส่วนหนึ่งคือเจอปัญหาเรื่องของน้ํารอการระบายเป็นอย่างเป็นอย่างเป็ น, เ ป, นเป็นประจำะก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่กลัวนะคะเขาบอกว่างี้เขามั่นใจระบบการป้องกันที่มีการวางแผนที่ดีครับเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นค่ะ18กันยายนที่ผ่านมานะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวนิดาโพเองเนี่ยเขามีการเปิดเผยผลสํารวจในหัวข้อน้ําจะท่วมกรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะผลการสํารวจปรากฏว่าคนกรุงเทพร้อยละ 42.81 ระ บ, บุว่าไม่มีความกังวลเลยเรองลงมานะคะก็คือร้อยละ 24.6 เระบุว่าไม่ค่อยมีความกังวลร้อยละ 23.72 ระบุว่าค่อนข้างมีความกังวลและร้อยละ 8.80 ระบุว่ามีความกังวลมากเลยค่ะทั้งนี้นะคะคําถามก็คือความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครในการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอย่างไรนะคะประชาชนส่วนใหญ่ค่ะร้อยละ 33.15 บบอกว่าค่อนข้างเชื่อมั่นนะ ในราลงมานะคะร้อยละยี่สระบุว่าไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นร้อยละ 20.03 ระบุว่ามีความเชื่อมั่นมากร้อยละ 19.01 ระบุว่าไม่มีความเชื่อมั่นเลยและร้อยละ 0.16 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบและรู้สึกไม่แน่ใจคะ่ะสุดท้ายนะฮะเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อกรณีที่ญี่ปุ่นอ้างรายงานของจิก้านะครับว่าพื้นที่ส0ของกรุงเทพจะจมบาดาลในปี73หรือไม่ อ, อ่รู้สึกเขาบอกว่าอย่าึกยังไง ส่วนใหญ่3น5 7ครับบอกว่ารู้สึกเฉยๆนะเขาบอกงี้ระยะามบองจุดเจ็ดบอกว่าภาครัฐควรเริ่มวางแผนป้องกันได้แล้วนะฮะบอกว่ารู้สึกกังวล 20.42 บอกว่าไม่เชื่อในรายงานนี้ 11.7 เปอร์เซ็นต์บอกว่าอีกหลายปีไว้ใกล้ๆก่อนค่อยมาสนใจอีกทีนึงปีนี้เพิ่งองเองกสาเอปีนะฮะบอกว่ามั่นใจภาครัฐเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะฮะบอกว่ามีแผนที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น หากปี73หรื อ, อในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นบาดาลจริงหรือท่วมจริงอ 2.99 บอกว่ารัฐควรสร้างเขื่อนล้อมกรุงเทพนะครับแล้วก็ 2.91 บอกว่าประเทศไทยควรย้ายเมืองหลวงเอ อ, อนะฮะจริงๆถ้าจะสร้างเขื่อนเนี่ยย้ายเมืองหลวงน่าจะดีกว่าอในความคิดของฉันนะถ้ามองนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าในในประเทศในภูมิภาคเราเนี่ย ห, ยหลายประเทศเองเนี่ยเขาก็มีวิธีการในการแก้ปัญหาตรงเนี้ยล่าสุดคืออินโดนีเซียที่พื้นที่เมืองหลวงของเขาประสบปัญหาก็คือน้าท่วมอย่างหนักนะคะก็มีการเตรียมจะย้ายเมืองหลวงในอีก5ปี10ปีข้างหน้าซึ่งเขาก็จะย้ายไปแบบใช้เงินหลายพันล้านเลยแหละในการย้ายนะค ะ, ะก็ไม่แน่ใจนะฮะอาจจะมีอันนี้มุมมองของผมเองนึผู้ฟังนะมผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งเองอาจจะทําเป็นประตูกั้นน้ําคือปักอ่าวอ่ะ ทําปักอ่ า, า, อาวคือกั้นปักอ่าวไว้คือบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็จะมีบางส่วนที่โดยรับความเสียหายอาจจะมีพื้นที่ให้กับประชาชนเกินไปแต่บางจุดที่เป็นพื้นที่ใจกลางหรื อ, อจุดอ่อนเสถียรหน่อยเนี่ย อ, อาจจะต้องทำเป็นพื้นที่กั้นน้ําเพื่อไม่ให้น้ําทะลักเข้ามาตามริมแม่น้ําแต่ก็มีจุดหนึ่งที่น่ากังวลน้นําเบียบพงก็คือเรื่องของท่อระบายน้ำนะเป็นหลักเพราะว่ามันก็มีเรื่องของความเขาเรียกว่า อุดตันนะคะแล้วก็ท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะมีความาเชื่อมโยงกั บ, บกับแม่น้ำแหล่งน้ำต่างๆเหมือนอย่างในต่างจังหวัดอย่างที่บ้าน ที่ร้อยเอ็ดที่กรสินนะบ้านคุณยายดิชนะน้ําท่วมเนี่ยเพราะว่าขึ้นมาตามร่องน้ำนะตามท่อระบายน้ํานี่แหล ะ, ะแต่ฐานนี้ก็ต้องมีเรื่องของการวางแผนกันนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงนะคะในเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนะคะแต่ว่าทางตํารวจเองเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมนะคะจะเริ่มในวันที่20กันยายนนี้นั่นก็คือวันนี้วันแรกนั่นเองนะคะเผยว่าจะมีการบันทึกความผิด เชื่อมโยงกับข้อมูลกรมขนส่งทางบกค่ะผู้ขับขี่ทำผิดจ่ายค่าปรับพร้อมต่อภาษีได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครเบี้ยวไม่จ่ายค่าปรับคุณเจอตัดแต้มแน่นอนนะคะและการตัดแต้มนี้จะมีผลในการพักใบอนุญาตถ้าหากทำซ้มเกิน3ามครั้งทอนใบขับขี่ทันทีที่สำคัญนะคะงานนี้เขาบอกว่าไม่มีการยึดใบขับขี่ค่ะอ้าว พรบรใหม่ออกมาแล้วนะครับที่บอกว่าใช้ระบบบัตรดิจิตอลได้ไหมที่ดูในใแอปพลิเคชันอันนี้ก็คือเป็นตัวเดียวกันในผู้ฟังตอนนี้เข้ามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือท่านผู้ช่วยพบรตอรอนะครับพลตํารวจโทดํารงศักดิ์กิติประภัทตท่านมีบันทึกข้อความไปถึงผู้บัญชาการตํารวจนครบาลผู้บัญชาการตํารวจภูธร 1-9 แล้วก็ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพูดถึงเรื่องของพรบรใหม่ที่มีการประกาศใช้ในรัชกิจจาแล้วก็จะบมีผลบังคับใช้20กันยายนโดยมี มีสรุปสาระสำคัญเขาบอกว่าพนัก ง, งานจราจรเจ้าหน้าที่เองสามารถตรวจใบอนุญาตกับขี่ได้นะแต่ไม่มีอำนาจในการเรียกเก็บยึดไว้เหมือนสมัยอดีตนกรณีไม่พบผู้กับขี่ส่งใบให้ใหส่ ง, สงใบสั่ ง, งและไม่สามารถติดผูกหรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณทำความผิดปุ๊บจอดรถทิ้งไว้เขาจะมีแปะแป ะ, แปะล็อกเาเอาใบสั่งแปะไว้เอาอะไรนะ ที่ปัดน้ำฝนทับอ่อทับไว้อันนี้คือเหมือนว่าธนาธรรมนี่นเราเห็นเป็นประจำแต่ว่าตอนนี้คุณไม่ไม่ถูกทําอย่างนั้นแล้วแต่ว่าใบาสั่งจะถูกตามไปที่บ้านตามทะเบียนตามทะเบียนรถ <จด S 2> นะก็จดทะเบียนปุ๊บแล้วก็ไปดูที่อยู่แล้วก็ส่งไปที่บ้านเลยใช่แล้วะะนะครับให้ส่งพร้อมหลักฐานทางปฎิสันนลงทะเบียนไปยังภูมิลําเนาของเจ้าของรถหรือผู้ควครองร ถ, งรถเพื่อให้ไปชําระค่าปรับส่วนผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประจําตัวและแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อขอตรวจนะฮะสรูปแบบมีอะไรบ้างแบบเดิม ที่ทางคนส <ก S 2> ่งออกให้คือพบปกตินั่นแหละก็ยืนแบบเดิมเหมือนมปนประชาชนนั่นเองคือแบบอยากได้แบบ อะไรนะความเป็นแบบดั้งเดิมก็เอาแบบเดิมแบบส่งให้ตำรวจอันนี้ไิดกดแน่นอนเพราะว่าเป็นเป็นตัวจริงหรือแบบใหม่คือใช้ระบบแบบดิจิตอลในระบบของแอปพลิเคชันก็คือต้องเป็นแบบบัตรประชาชนบัตรไอคพีรุ่นใหม่ที่มี QR code แล้วก็ต้องไปใช้แอปพลิเคชันกดผ่านปุ๊บมันก็จะโชว์เลยแอปไลน์คูณแอปไลน์ DLTQR ลายเส้นอันนี้ผมเอาจริงๆนะคุณฟังผมไม่ชอบชื่อ ผมอยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยออกชื่อ QR แบบแอปพลิเคชันชื่อง่ายๆหน่อยออคือแบบ LDT อ่าแบบ driving อะไรอย่างเงี้ยอย่าี้คือแบบให้ง่ายๆหนยดริเวนแอปพลิเคชันดริเวนไ i ยแอปพลิเคชันอะไรตัวอะไรนี่คือแบบมันจาชื่อยากอ่ะเอางี้นะหรือบางทีก็บอกงี้สำเนาภาพถ่ายใบขับขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกําหนดคือไม่ใช่คุณแบบเป็นสำเนาแล้วมายื่นนะไม่ได้นะต้องเป็นแบบฟอร์มของทางกรมการขนส่งออกให้เนคือนจะไปถ่ายกสารแลเขียนว่าใช้เฉพาะการยื่นเอกสารเท่านั้นไม้นี่ไม่ได้นะเออนะคะท่านนั้นของรองผู้จักการตารวจนครบาลนะคะพลตารวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกค่ะผู้รับผิดชอบงานด้านจราจรบอกว่าสานักงาน ชาติเองจะมีการบันทึกนะคะแจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ซึ่งก็มีวันนี้นั่นแหละค่ะในะโดยอย่างที่เราบอกก็คือไม่มีอำนาจนะคะในการยึดใบขับขี่นะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างปฏิบัติหน้าที่สํานัก ง, งานตํารวจแห่งชาติได้จัดโครงการฝึกอบรมตํารวจจราจรทั่วประเทศนะคะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่12ปี2 5งพค่ะในส่วนของตํารวจนครบาล ก็ได้ส <Cornell> ่งตำรวจจราจรเข้าร่วมการฝึกอบรม2ชุดชุดแรกก็คือตำรวจจราจรสังกัดบกจรที่2นะคะตำรวจจราจรบกนหนซึ่งหลังจากอบรมเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาสอนแนะนำในหน่วยงานตัวเองนะคะโดยอบรมแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะครับผมอ้าว นอกจากนี้แล้วนะคมีการตัดแต้มด้วยนะฮะุผู้ฟังก็จะมีทั้งหมด12แต้ ม, มนะฮะในการเชือมโยงข้อมูลกับขนส่งนะครับมเมื่อผู้ขับคี่เนี่ยมัเสียค่าปรับนะฮะจะทราบได้ด้วยว่าถูกตัดแต้มไปเท่าไหร่นะครับและหากแต้มตัดหมด12แต้มจะถูกพักใบอนุญาต90วันและแต้มจะกลับขึ้นมานะฮะเมื่อมีการเข้าไปจ่ายค่าอ่า จ่ายค่าปรับแล้วก็เข้ารับการอบรมด้วย90คือคุณต้องไม่จ่ายเงินน ะ, ะไม่ใช่รอเก้าแล้วคุณจะหายนะใช่นะครับต้องไปรับการอบรมด้วยนะฮะแล้วต้องผ่านสอบผ่านด้วยนะถึงจะได้แต้มคืนผ่านไปใน3ปีผู้ถูกพักใบอนุญาตขับขี่เนี่ยเกิน2ครั้งและในครั้งที่3จะถูกพักใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา1ปีและในช่วงหปีหากกระทำความผิดอีก 1>, 1ครั้งเป็นครั้งที่4ี่ จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันทีนะฮะโอ้โหนะฮะงานนี้เขามาเต็มแน่นอนนะคะต้องรอติดตามกันว่าการใช้กฎแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะทางนั่นของอธิบดีกรมกางของกระทางทบนะคะคุณจันทิราบุรุษพัฒนบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเชื่อมต่อกับสำนัก ง, งานตํารวจแห่งชาติแล้วซึ่งทางตํารวจเนี่ยเขาจะเริ่มในวันที่20นะคะแต่ว่าทางการะทรวงทงบเนี่ยจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมในส่วนที่รับผิดชอบก็คือผู้ขับขี่หรือว่าเจ้าของรถที่ได้ใบสั่งจากตํารวจจราจรแต่ยังไม่ได้ชําระค่าปรับนะคะสามารถชรําระค่าปรับพร้อม กับชําระภาษีรถประจําปีในคราวเดียวกันได้เลยนะคะโดยทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนั้นจะมีการบันทึกข้อมูลการชําระค่าปรับในระบบซึ่งเชื่อมโยงกับระบบใบสั่งจราจรทําให้มีผลเหมือนกับการชําระค่าปรับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเมื่อชําระแล้วนะคะผู้ขับขี่หรือว่าเจ้าของรถก็จะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีตามปกติค่ะก็ถือว่า เป็นการย้ำนะฮะผมว่าเชื่อว่าหลายส่วนก็คืออยากจะให้ปฏิบัติตามกฎด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้ผู้ฟังนอกจากการตรวจใบกับขี่แล้วนะคือผู้ฟังขับรถขับราต้องระมาระวังเส้นตราจรต่างๆเนี่ยต้องเราดูดีๆนะเดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่มีกล้องนี่ผมไม่ยอแล้วนะผมโดนไปแล้วนะผู้ฟัง500บาทเองผู้ฟังก็เป็นแค่บอกว่าเราไม่ได้ไปไปแซงหน้าใครนะเพียงแต่ว่านิดเดียวเท่านั้นในเรื่องของการแบบเหยียบเส้นนิดหน่อยเออผมเหยียบเส้นอ่ะผมยอมรับวันรีบวันนั้นอ่ะ คือโหมอนนิ่งซื้อถึงบ้านเลยน ะ, ะไม่มีรถอ่ะไม่มีรถอ่ะมุหยงพงไม่ไมีรถแต่ว่าเหยียบเส้นก็ผิดอืมอ่าใช่ไหมตามกดทํากดวันนั้นวันนั้นวันนั้นรถ เ, เยอะวันนั้นรถเยอะวันนั้นอ่ ะ, อะเดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ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 ติดตามในช่วงนี้นะคะกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะผู้ฟังคะตอนนี้น่าจะต้องมาเตือนกันสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเชื่อวลาหลายคนเองเนี่ยน่าจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานานแล้วนะในเรื่องของการเปลี่ยนบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตร ATM ของคุณนะคะให้กลายเป็นบัตรแบบ ชิปการ์ดนะคะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นบัตรแถบแม่เหล็กนะค ะ, คะล่าสุดค่ะทบทะยืนยันว่าประชาชนต้องเปลี่ยนบัตรเดบิตและบัตร ATM นะคะจากแถบแม่เหล็กเป็นบบมาเป็นบัตรชิปการ์ดภายในสิ้นปีนี้นะคะอยําว่าป้องกันการปลอมแปลงบัตรและการจรากรรมข้อมูลหรือว่าสกิมมิงค่ะอ้าวคุณผู้ฟังผมเองก็มีบัตรใบหนึ่งนะคะที่ยังเป็นบัตรแถบแม่เหล็กอยู่พอไปใช้ที่ไรปุ๊บก็บอกว่าคุณไปเปลี่ยนได้แล้วนะเตือนตลอดเลยในตู้เตืตลอดนะฮะราว่าไปคว่าจะมีเสียงนะเพราะว่ากลัวว่าคุณจะลืมอีกแล้วอะไร นโยบายระบบการชำระเงินทางเทคโนโลยีทางการเงินเนี่ยของทบทนะฮะคุณสิริธิดาพนวชณัฏนะิยาออกมาเปิดเผยว่าปี59นะฮะ ธปทเองนะฮะร่วมกับสถาบันการเงินได้ร่วมกัรผลักดันการปรับเปลี่ยนบัตรเดบิตหรือบัตรและบัตรเอทีเอของทุกธนาคารจากรูปแบบบัตรแถบแม่เหล็กให้เป็นชิปการ์ดนะให้เป็นมาตรฐานโดยป้องกันนะฮะการปลอมแปลงและกาจุลจักรจุลกรรมข้อมูลนําไปทําบัตรปลอมแล้วก็ทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน ATM ค่ะสถาบันการเงินเองก็ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันพบว่ามีผู้เปลี่ยนบัตรไปแล้วเนี่ย47ล้านใบและยังมีบัตรคงเหลือซึ่งในนั้นมีผมนะฮะเพื่ฟังประมาณเท่าไหร่ม0ล้านใบ ะ ค, ะคุณอยู่ในนั้นนะใช่แล้วนะคะทบทอเองค่ะก็เลยมีการฝากประชาสัมพันธ์นะคะใครที่ยังใช้บัตรเดบิตหรือบัตร ATM แบบแถบไม่เหล็กอยู่นะคะต้องรีบติดต่อธนาคารที่ใช้ประการทุกสาขานะคะเพื่อเปลี่ยนบัตรให้เป็นชิปการ์ดให้แล้วเสร็จค่ะโ <c oughs> ดยมีการสแสดงบัตรประจําตัวประชาชนบัตรเดบิตหรือบัตร ATM ใบเดิมแล้วก็สมุดบัญชีงเงินฝากนะคะงานนี้ย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนบัตรใดใทั้งสิ้นนะคะใครของเงินเรียกเงินนะคะอย่าไปจ่ายเด็ดขาดนะคะทั้งนี้หลังจากวันที่15บ กรกฎาคมปีหน้านี้ค่ะคว่าฟังคะบัตรแถบแม่เหล็กจะไม่สามารถใช้งานได้ที่เครื่อง ATM หรือเครื่องรูดบัตรที่ร้านค้านะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรชิปการ์ดถ้ามีความต้องการใช้เงินสดหรือโอนเงินก็จะไปเบิกถอนได้ที่สาขาธนาคารหรือใช้ฟังก์ชันกดเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM หรือการโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแทนการใช้บัตรค่ะซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ call center หรือเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารที่คุณมีบริการอยู่หรือทีู่นย์คคุ้มรอง ผู้ใช้บริการทางการเงินของทบทสายด่วน1นึ3ค่ะอ้าวก็ฝากกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวหาเวลาไปจริงจริงไปแล้วแหละแต่ว่ายังยังไม่มีเวลารู้สึกว่าแถบไหมเลยเขาจะเป็นรหัส4ตัวนะใช่วงใช่ไหมชิปการ์ดจะเป็น6ตัวเป็น6ตัวแต่ผมบอกว่าเป็นชิปการ์ดเนี่ยต้องบอกว่าเอาเอาแบบรีวิวิดนึงนะคือเวลาไปแบบจ่ายค่าอันอืด<ข>ใช่ไหมคือไม่ผมไปจ่ายค่าไอ้นะ ปั๊มน้ํามันไปซื้อของบางทีแล้วมันต้องกดอ่ะจริงมันก็ดีนะแต่บางทีต้องลงจากรถไงคุณอ๋อเขาให้เขาให้คุณต้องกดยืนยันไงกดยืนยันการตัดเงินไงอันนี้ก็จะยากหน่อยอันนี้อันนี้แต่ว่าของกรุงศรีเนี่ยบัตรที่ฉันมีนะคะก็ไม่ได้กดยืนยันนะคือผมว่าแล้วแต่นะเป็นแต่ของกรุงเทพเน่ยมีกดยืนยันแล้วแล้วแต่ผมกดนะแต่ถ้าสังเกตก็คือบัตรของกรุงเทพเขาจะมีชิปกาตรงกลางนะอ่าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน กดผมว่าน่าจะกดเกือบทุกธนาคารนะครับก็เอาล่ะก็คิดเผื่อแบบเพื่อความปลอดภัยถงะะเงินไม่มากแต่ก็เก็บไว้ให้นี่ก็ถือว่าเป็นช่วยช่วยเราได้นะคุณฟังนะถูกต้องแล้วคะ่ะไปกันต่อเรื่องราวของคนที่ยังเป็นสิงห์นักสิงห์สิงห์งอมควันอเอานะฮะเอากรมควบคุมโรคนะฮะเตือนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสียงโรคปอดอักเสบรุนแรงนะฮะที่อเมริกาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจาก อาการนี้แล้วนะฮะเจ็ดรายด้วยกันนะครับก็บอกว่าคนรับควันก็เสี่ยงด้วยนะเขาบอกว่าไรนะแล้วควันเยอะด้วยนะคนเลยนะ คนสูบบุหรี่มือสองครับแล้วควันเยอะเยอะกว่าปกติอีกต่างหากนะเรื่องราวนี้นะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนะคะนายแพทย์ขจรศักดิ์แก้วจรรทค่ะบอกว่าต้องขอเตือนประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุคคลรอบข้างซึ่งมีโอกาสในการสัมผัสควันหรือว่าละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงโดยโรคดังกล่าวนี้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะซึ่งขณะนี้ในอเมริกานั้นจำนวนผู้ป่วย ด, ด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะศูน ปองการและควบคุมโรคของอเมริกาได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินรับมือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตอนนี้พบว่ามีผู้ป่วยรายที่เจ็ดแล้วที่เสียชีวิตนะคะซึ่งจากการสอบสวนโรคเนี่ยเขาพบว่าอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะก็คือมีอาการหายใจทีเจ็บหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียปวดท้องมีไข้อาจมีอาการน้ำหนักลดร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะการตรวจรักษาในระยะเริ่มตน้นผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับภาวะ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั่วไปนะคะแต่เมื่อทําการรักษาไปแล้วค่ะกลับพบว่าอาการไม่ดีขึ้นแต่อย่างใดและนําไปสู่ภาวะโรคปอดอักเสบรุนแรงซึ่งโรคดังกล่าวนี้มีสาเหตุมาจากการได้รับสารเคมีจากการสูบละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปค่ ะ, ะแน่นอนนะครับท่านรองที่บดีกรมควบคุมโรคยังเตือนด้วยนะครับว่าทั้งผู้สูบและก็ผู้ที่มีโอกาสได้สัมผัสหรือรับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักของโรคปอดอักเสบรุนแรงใช่ค่ะนะครับก็อย่าลงเชื่อว่า ค, คําฆษ โฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเป็นสินค้าทางเลือกอในการช่วยเลิกสูบบุหรีน่ น, นะครับหรือตกเป็นเหยื่อให้กับสินค้าทําลายสุขภาพชนิดนี้เพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เกิดาการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับสูบบุหรี่ทั่วไปะนะฮะถ้าคนไหนเนี่ยฮะอยากจะ ปรึกษานะฮะแล้วก็อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะลีกเลี่ยงอยากจะลดนะฮะก็โทรไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะครับสายด่วน1422โทรไปได้เลยนะครับใช่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ทิ้งท้ายกันนะะกับเรื่องราวซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหลายๆคนแล้วเราน่าจะเคยได้ยินนะฮะกับปราบึก นะฮะปลาบึกนี้ต้องบอกว่าเราเจอในภพ่สารเยอะน ะ, ะปิ่งโพงกฟังนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะล่าสุดค่ะกรมประมงเองเนี่ยก็มีการออกหนังสือนะคะขอยกเว้นการปล่อยปลาบึกจากโรงเพาะฟักลงสู่แม่น้ำโขงนะคะเพราะว่าต้องการรักษาปลาบึกสายพันธุ์ธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืนค่ะคือทางเฟซแฟนเพจ a c e b o o k ของกรมประมองออกมาพูดถึงนะฮะเปิดเผยแพร่เผยแพร่นะฮะ คำอ้างอิงนะฮะคำพูดจากนายอดิศรพ ร, ร้อมเทพท่านนายพปดีกรมประมงะออกมาบอกว่ากรมประมงเองเนี่ยออกหนังสือขอความร่วมมือ อย่างนี้นะฮะงดเว้นนะการปล่อยปลาบึกที่ผลิตจากโรงเพาะฟักลงในแม่น้ําโขงและแม่น้ําสาขาของแม่น้ำโขงเช่นแม่น้ําสาขาภาคอีสานแม่น้ำพองแม่น้ำชีแม่น้ํามูลแม่น้ําสงคราหแม่น้ําสาขาภาคเหนือก็มีแม่น้ำอิงแม่น้ํำกกรวมถึงสายอื่นๆด้วยที่เชื่อมโยงกับแม่น้ําโขงเหตุที่งดเว้นปล่อยปลาบึกเพาะลิเพาะพันเนี่ยเป็นเพราะต้องการอนุรักษ์ประชากรธรรมชาติของปลาบึกในแม่น้ําโขงให้อยู่อย่างยั่งยืนโดยสาเหตุของการวิจัย ะะของด็อกเตอร์ไคลอเรนเซนนะครับและคณะมีหัวข้องานวิจัยด้วยนะเขามีการจัดทำเอาไว้เมื่อปี49ออกมาระบุว่าการปล่อยปลาบึกที่ผลิตจากโรงเพาะฟักลงในแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำสาขาที่มีเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะไปทำลายความหลากหลายทางพันธุ ก, กรรมของประชากรปลาบึกธรรมชาติ ที่มีแห่งเดียวในโลกแบบนี้คือจริงๆแม่น้าโขงเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงไปกับประเทศอื่นๆอีกนะคะคไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั้งนี้ค่ะถึงแม้ว่าปลาบึกนะคะจะเป็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะปัจจุบันถูกขึ้นบัญชีสัตว์คุ้มครองของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือว่าสายเตศนะคะบัญชีหมายเลขหนึ่งก็คือห้ามมิให้ทําการค้าขายปลาบศศึกธรรมชาติโดยเด็ดขาดไปแล้วค่ะและประเทศไทยเองก็ได้มีการออกกฎหมายห้ามจับปลาบึกเม สถานภาพประชากรปลาบึกในลุ่มแม่น้ำโขงนั้นก็ยังน้อยลงอยู่ดีดังนั้นค่ะถ้าหากว่ามีความประสงค์จะปล่อยปลาบึกบางคนบอกว่าจะทําบุญมาคนทําบุญนะอปล่อยปลาบึกครับต้องปล่อยปลาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะมีเหมือนกันเบียบพงก็ขอความร่วมมือนะคะขอให้ปล่อยลงในแหล่งน้ําปิดที่ไม่มีการเชื่อมโยงกับแม่น้ําโขงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ 23-26 กันยายนอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาอากาศจะเย็นๆหน่อยนะฮะ ยังยังไม่ได้แบบว่าหนาวเลยนะวันนั้นแบบไปชื่อร้านขายเสื้อนะเขามีเสื้อผ้าหน้าหนาวอะไรนะพี่พงศ์เราก็แบบเอ๊ะจะหนาวไหมนะก็เตรียมการคือถ้าแบบร้านค้าเนี่ยเขาจะมีการตลาดรอไว้ก่อนใช่นะสินะครับก็จะแบบปิดซีซั่นกันไปนะฮะฝากไปด้วยแต่ยังไม่ถึงหน้าหนาวนะฮะก็จะเป็นแบบหนาวระยะสั้นแล้วก็จะกลับมามีฝนมีแดดเหมือนเดิมอาจจะเป็นความหนาวลักษณะของหนาวชื้นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะฮะสุขภาพปลอดหรือว่าการดูแลช่วงนี้นอน นิดหน่อยนอนไม่ค่อยพอนะเรามาระวังตัวเองกันด้วยนะคะคช่วงนี้ต้องนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ระวังเรื่องของละอองฝนกันด้วยโดนฝนนิดเดียวจริงๆก็ แนะนำว่าควรจะต้องสระผมดีกว่านะคะนะอ่าราคานี้คือเรื่องราวที่เราได้คุยกันทั้งหมดในวันนี้นะคะกับรายการกอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะพบกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะกับเรื่องราวหลากหลายที่เราจะนํามาฝากเพื่ฟังนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันในแฟนเพจ Facebook ราชมงคลทัญ บ, บุรีอ่าขอภัยค่ะวิทยุราชมงคลทัญ บ, บุรีนะคะส่วนในวันนี้ดิฉันอาทิตยาปากกานังและคุณเปียพงษ์เคนทวายต้องขอลา ก, กันไปก่อนค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ